เรามีงานเรามีอาชีพอาชีพของเราแสง <c oughs> หาอริยัพภายในก็มีงานทำทจิตใจได้ทรัพย์ขข้นมาคนเจียกลางก็ย่อมอยู่เป็นทุกข์คนขยันก็ยก่ยอมหมดทุกข์หมดโศกโลกภยัย ากามขออยันทามาหาชินการขออยันก็ย่อมหาทรัพย์ได้ก <c oughs> ันเกิดข้านก็หาทรัไปได้อิ่งเหรอที่ทามา ก, ก็ต้องใช้กายใช้ความพยายามพอสมควรเช่นชาวนาทำนาเกี่ยวข้าว ก็ <c oughs> <c oughs> ต้องทำก็ต้องเกี่ยวข้าวกิริยาที่เกี่ยวข้าวจริงๆได้ลวงข้าวเป็นล้า น, ล, ล, านล้านรวงหลายหมื่นหลายแสนล้านรวงจนสําเร็จได้ข้าวเป็นล้อยเป็นพันกระสอบก็มีถ้ามีความประหยัด ต้องมีคียาที่ทำหลังโซฟาหน้าโซดินการทำงานไม่ใช่เลยงานอย่างเดียวได้ความปวดความเมื่อยความเหนื่อยเมื่อยล้ า, ลาตากแดดตากฝนต้องอดทนจึื่จะสำเร็จได้จนลยก็ดีการทำงานทาง หลักอริยรัพภายในก็เช่นเดียวกันมีกายมีใจออกมาเป็นอุปกรณ์ทรรมเ่อนการก็เช่นวิชากรรมฐา น, นวิชาที่ได้รับได้เคลื่อนเคลื่อนไหวมือหายใจเข้าหายใจออก ได้มีความรู้สึกไม่ใช่เคลื่อนไหวฟีฟีๆหาือนกับชาวนาเคลื่อนไหวมือปักดำนาเขียวข้าวเคลื่อนเดียวกันก็ได้งานได้การการเคลื่อนไหวมือก็ได้สติการหายใจเข้าหายจออกได้สติสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับกายกับใจ แต่เกิดความรู้สักตัวคือสติจึงไดใช่ไหมเกิดขึ้นกับกายกับใจที่ไม่ใช่สติก็เปลี่ยนมาเป็นสติได้เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ต้องอาศัยอย่างอื่นแม้แต่ชาวนาชาวไร่ต้องอาศัยดินใช้ผลใส้ผ้าอากาศแต่การทำ ความเพียนไดุ้นได้มักได้ผลนี่ไม่ต้องรออะไรทั้งสิ้นสะดวกเวลาใดก็ได้มีจติอะไรที่มัเกิดขึ้นมากับกายกับใจกับมารถถู้สึกตัวทั้งหมดที่จะเป็นการทำงานเกิดมากเกิดผลได้ถ้าหลงเป็นหลงก็ไม่ได้งาน ทุกข์เป็นทุกข์สุขเป็นกโกรธเปนโกรธไม่ได้งานกาได้กันอื่นไปการที่จะได้กวมรู้สึกตัวได้ความหลงมากขึ้นมีเหมือนกันที่เวลาเราปฏิบัติทรรมีแต่สิ่งที่ทําให้เกิดความหลงขวางกันผู้ทํางานต้องเพียรพยายามอดทนขวางกันคือ คิดทุ่งซานในขณะที่เราจะ เ, จ ล, เล่นสติลังเลสงสยอยมงเหงาหอโดอนเคยกินเรื่องใดก็ขวงเล่นนั่งว่าเลนนขวงว ง, นนขวงว้ายเล่นไหวโดยไม่รู้สึกตัวก็มีมามาก ชีวิตของเราไม่เคยรู้สึกตัวอาการเคลื่อนไหวหายใจก็หายใจเที่ยงไปเปล่าๆเลื่อนไ่ายก็เคลื่อนไหวเที่ยงไปเปล่าไม่รู้สึกตัวเราก็คอยกิน <c oughs> ไม่แต่ความคิดยึด้ทุกสงทุกจางไม่เคยกบมารู้สึกตัวไม่เคยสอนจิตให้รู้สึกตัว ไม่ใช่สอนกายให้รู้สักตัวตอนนี้เราจึงมาใช้ากายใช้จิตใจให้รู้สักตัวโดยตรงเป็นงานโดยตรงต้องภาคต้องเพียรต้องอดทนต้องใส่ใจกับ่านใช้ชีวิตให้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะวิชากรรมฐานวิชาที่โดยตรงเป็นส่วนตัวโดยตรงเพื่อกาอนี้ไม่ให้ทำอันอื่นให้ต้องทำอาหารกินถาัาวตอัดออกมาทิ้งออกมาละออกมา มาให้มีสติเคยมีอารมณ์เคยมีอาการกต่างๆที่มันเคยคินกลับมารู้จักตัวไปก่อนเลยเพราะบางทีเกิดจากความคิดเวลาปฏิบัติทำนะครับต่อจากความคิดเคยใช่ความคิดเพื่อหาเหตุหาผล หาคำตอบอะไรผิดอะไรถูกเกิใช้ความคิดไปทางพอใจไม่พอใจตอนนี้ให้เกิดความรู้สึกตัวจะหาคำตอบจากความคิดอะไรที่มันเกิดขึ้นมารู้สึกตัวอย่างเดียวรู้สึกตัวอย่างเดียวเปลี่ยนมาเป็นรู้สึกตัวอย่างเดียว อะไรที่มาเกิดขึ้นมาขณะที่เราปฏิบัติใช้กายใช้ใจอยู่ทุกชั่วโมงทุกนาทีให้เอาเต็มที่เฉพาะเรื่องนี้เฉพาะหน้าตามสบายสบายไม่ต้องเคร่งคืบไม่ต้องเคร่งเครียดเอาจริงเอาจังจนหน้าดำคำเครียด การทำงานหามา้าหาผลเป็นความสะดวกที่สุดมีสติมันจะเกิดความสะดวกสติจริงๆจะยิ้มแย้มสจ่งใสมีความสุขไปในตัวมีความสะดวกไปในตัวถ้ามีสติถ้าผิดเป็นผิดไม่สะดวก ถ้าสุขเป็นสุขไม่สะดวกถ้าทุกข์เป็นทุกข์ไม่สะดวกถ้าหิตเป็นรู้จึกตัวสุขก็คือรู้จักตัวทุกข์คือรู้จึกตัวมันสะดวกมันสม่มเสมอถ้าสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์หรือว่ามันพูมันแพรบมาเคยกับเพิ่มวันนี้ให้มันนิ่งสติทำไมันนิ่งได้ ปกติได้เหมือนน้าที่นิ่งอะไรมาลูกอะไรเกิดขึ้นมากรูลสักัวตัวหรือเฉกตัวเหมือนน้านิ่งถ้าเป็นน้ำก็นิ่งเทามนิ่งก็ยอมส่องเงาในน้าได้เห็นหน้าเห็นตาโกนผมก็ได้เคยใช้น้านิ่งโกนผม ไ, ได้ประโยชน์ตนที่จะมีสติอย่างเดียวเปิดความปกติเมื่อเกิดความปกติก็กลายเป็นศีลแปเมื่อมีความปกติก็กลายเป็นสมาธิภัยไม่มีความปกติก็กลายเป็นวิญญาภัยล้วของชั่วทําความดีจิตบริสุทธิ์ไปในตัวในคราวเดียวกัน ไปเป็นพวงถ้ามีสติก็เกิดจากสติทั้ง น, นั้นวิธีปฏิบัติเหมือนกับว่าพระพรทเจ้าเฉือนสิ่งที่ไม่ดีออกหดถ้ารู้จึกตัวมันก็เฉือนออกหมดสิ่งไม่ดีสิ่งดีเนื้อแต่สติโดนรวน ง่ายง่ายไม่ต้องคิดถาทําไปเลยสัมผัสไปเลยราการสัมผัสกับความรู้สึกตัวเาัาจิตใจสัมผัสกับความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวจะเป็นอย่างไรเมืกันเราหิวข้าวต้องกินข้าวการกินการเคี่ยวอาหารแต่และคํ า, าอิ่มไปเอง ไม่ต้องประหยอกให้มันอิม่ม <c> น <oughs> ักษณะที่ทำให้อิ่มได้ก็คือการเชี่ยวอาหารเจริละคำเจริละคำการทำมาททำการก็เช่นเดียวกันไม่อยากให้มันสำเร็จแต่ทำไปเรื่อยๆบางคนอยากให้สำเร็จรีบทั้งโล่นย่อยเป็นทุก ทำงานไม่สนุกเช่นบำงที่กำหนดเช่นขุดดิน1 ห, หลาได้80บาทงคนอยากให้มาสำเร็จทั้งคิดทั้งอยากสาเร็จทั้งการทั้งใจเหนื่อยเวลาแต่คนที่สสบายขุดไปเรื่อยขุดไปเรื่อยมาหยุดเช็ดก็ไม่เป็นไรไม่เช็ดก็ไม่เป็นไ แต่ว่าทำอยู่เรื่อยแล้วก็สะดวกกว่ากันได้ความสะดวกในขณะที่ทำงานเมื่อไรความสะดวกก็ได้เงินได้ทองไปในตัวเสร็จการปฏิบัติธรรมก็เช่นกันอา ไ, ไปคิดเอาผิดเอาถูกเอาได้เอาเสีย จะได้อะไรต่อรองไว้จะมาได้ทำได้ทำไม่ได้อย่าไปคิดแบบนั้นหลายคนทำนาทำไรสมัยทุกวันนี้จะได้กำไรจะขาดทุนเอากำไรเอาขาดทุนไปติดตังไม่สะุก แต่ ก, การไล่ก็ดีเท่าก้องก็เสียใจคอยต่เสียใจคอจะดีใจให้ความดีใจให้ความเสียใจเป็นเจ้าของชีวิตการปฏิบัติธรรมนี่ยก็คอยให้ผิดให้ถูกเป็นเจ้าของถ้าถูกก็พอใจถ้าผิดก็เสียใจนั่นไม่ใช่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ต่อรอมแบบนั้นไม่ใช่ได้แบบนั้น สติมันจะไปเหนือเหนือมันเพิดก็ลู้สึกตัวมันถูกก็รู้สึกตัวมันถูกก็รู้สึกตัวมันถูกก็รู้สึกตัวมันพอใจก็รู้สึกตัวมันไม่พอใจก็รู้สึกตัวมันไปแบบนี้สติให้สัมผัสแบบนี้จึงจะเป็นสติปัฏฐาน หัดตัวให้ทําให้เป็นหัดให้เป็นงานเป็นการถ้าทําเป็นงานเป็นการถ้าทางานเป็นมันก็คล่องตัวเมื่อมางานคล่องตัวสะดวกก็สําเร็จได้ง่ายหนึ่งวันทุกเจ็ดวันก็สําเร็จได้เพราะมันไม่มีอะไรมากมายถ้ามีความรู้สึก มันลงตัวได้มาไล่เป็นดีหมดมาผีเป็นดีหมดสิ่งที่มันเกิดคือก็เรื่องเก่าๆความหลงก็เรื่องเกา่าความโกรธก็เรื่องเกา่าความทุกข์เรื่องเกา่าที่เป็นสุขเป็นทุกข์เกิจา ก, กายจากล ก, ก็เรื่องเกา่าไม่โอกาสอใจมาเป็นสุขเป็นทุกข์มีแต่เป็นความรู้ตั้งไว้อย่างนี้ปฏิบัติธรรมตั้งไปในความรู้จักตัว ความรู้สึกตัวมันเหนือเหนือเหนือเหนือทุกอย่างมีอยู่แล้วในตัวเราเลยทําได้ทุกทีทุกคนทําได้ทุกเวลาทุกเพศทุกวัยมันเป็นธรรมจริงๆความรู้สึกตัวเกิดเป็นมรรคเป็นผลจริงๆความรู้สึกตัวเมื่อมีมากเมื่อมีมากก็เป็นความจป็นงานเป็นศาสตร์เป็นศิล ศาสต์ถินของสตินี้กลายเป็นมากเป็นผลเนะหนื้อกาเกิดเจ็บเจบตายได้มีอยู่ในรูคนทุกคนไม่ยกเว้นใครเลยเป็นสมบัติที่พร้อมจะใช้ได้พร้อมใช้สมบัติที่พร้อมใช้ ไม่ได้หามีอยู่ในตัวเราเนี่เอามือวางไว้บงเขาพลิกมือเค้ื่อนก็รู้ได้ทันทีไม่ได้หาประกอบไปเลยให้มีป็นในกายที่มันเคลื่อนไหวรู้เขือนเข้ารู้สึกเหยื่อเฉันดอกรู้สึกในขณะที่รู้สึกตัวมันจะเห็นอะไรที่เกิดขึ้น เรียนมาเป็นความรู้ทั้งหมดเป็นพระศิท ธ, ธะฝึกใหม่ๆภาษาสลาของพวกเราก็ได้ทำแบบนี้นั่งอยู่ต้นชีมงอัพโผผู้แขนเข้ารู้สึกหยวแขนออกรู้สึกในขณะที่มีความรู้สึกตัวอย่างที่ก็ได้บทเรียนจากอะไรหลายอย่างคิดถึงพิมพากับมาอรู้สึกตัว คิดถึงลาหุ่นกับมาลุจตัวคิดถึงประชาตาลุดูโกกับมารู้สึกตัวได้สอนได้หลายอย่างได้สอนความเคยกินได้สอนนิสัยที่มันเคยกินที่มันเคยไหลไปที่มันเคยติดมาเป็นวิญญาณที่ติดมาก็ไม่ลูกก็ย่อมคิดถึงลูกคนมีเมียก็ย่อมคิดถึงเมียก็ไม่ความรักก็ย่อมคิดถึงความรักคนไม่ความโกรธก็ย่อมคิดถึงความโกรธ ค่ได้สอนมันได้บอกมันให้มันเกิดขึ้นมาจะได้รู้สึกตัวรู้สึว่ามันทำถูกมันสะดวกเกิดความขระยอนขึ้นมาตามได้ไอ้เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เนี่ยมันสะดวกมันถูกต้องที่สุดตลงจากความคิดหลงจากทางตาทางหูได้เปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัววัตถุที่มันเติบโตหลงได้ประโยชน์จากมัน ความหลงแท้ๆทําไมรู้ความทุกแ ท, ท้ทํำไมเกิดเป็นพุทธะขึ้นมาได้ไม่ปฏิเสธเลยเอาเลยชนไปเลยต้องมีสตินะจริงที่เกิดขึ้นกับกายกับใจ เ, เปลี่ยนมารู้จักตัวได้ทุกอย่างวิชากรรมฐานเป็นวิชาศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยมีสิทธิ์ใช้ได้ทุกคนอะไรบังคับให้เราหลงไม่มีอํานาจขนาดไหน อะไรบังคับมาเราทุกข์อะไรบังขับมาเราโกรธต้องมาจะไปยอมโกรธยอมทุกข์ยอมโลภ ย, ย, ยอมลงมันได้ประโยชน์อะไรมาเปลี่ยนเป็นความรู้จึกตัวหนึ่วันเจวันเนี่ยให้ใช้ชีวิตเรื่องนี้ส่วนตัวเรื่องนี้ให้โอกาสกันให้เต็มที่เป็นมีตรเป็นเพื่อนกันอย่างเต็มที่มั น, น, นหนันเหลือเกิน เรื่องมักเรื่องผลที่เกิดกับเราเนี่ยเราเคยใช้ชีวิตอย่างไรหันหน้าหันตาสู้กันลองดูดูมันที่งๆงลองดูมันคืออะไรไปภาคษาตัวเองด่านอกก็ต้องไปโจดตัวเองเอาไว้ใครมีโจทย์อะไรที่เป็นจำเลยระบารมากมายยิ่งจะได้ชั้นนีช้ชนานฉลาดคนเคย โจทย์ถูกจำเลยเป็นโจทย์เป็นจำเลยก็ยังฉลาดในวิชาการเรเคยรู้อะไรมาแต่ใช่ความรู้กชํานาญมากขึ้นเช่นกาเรียนปริญญาตตอนเรียนแล้วเอาไว้เฉยๆก็หายไปหมดตอนเรียนรุ่นลงมาสอนไมาเป็นครูสอนคนก็จำได้จานานมากขึ้นแต่ฉลาดมากขึ้น ถ้าเรียนแล้วไม่สอนคนไม่แต่ฉาดไม่ชำนาญารู้สึกตัวนี้ก็มีเหมือนกันได้สอนตัวได้ชำนาญชำนาญในความหลไม่หลงแล้ว็วามชำนาญในความหลงเ ม, งนนนมงงื่อมีสติก็เกิดชำนาญในความไม่หลง อะไรก็ที่มันเกิดขึ้นมาง่ายๆอะไรลัดเนี่ยเหมือเดียวรัดเนี่ยเมือเดียวยิง่งจะยิ้มเท่านั้นหมดไปแล้วแต่เมื่อรู้สึกตัวมีความยิ้มยิ้มเป็นปกติไม่หวันหว่นไหวไม่กระทบกระเทือนความรู้สึกตัวนั้นเหมนผู้เขา้าสู่ทางทึง่ไม่เตือนพัดลมควร ม, มีความรู้สึกตัวที่เป็นสติปัฏฐานอจริงๆมันเป็นฐานเปนที่ตั้งจริงๆ โดยพระกรรมฐานเนี่ยมันมีที่ตั้งมันมีที่การกระทําช่วยได้เยอะกลับมารู้จักตัวกลับมารู้จักตัวเนี่ยวิชากรรมฐานมีหลักฐานกลับมารู้จักตัวที่กายกายก็มีการเคลื่อนไหวก็มีกิริยาที่มีการเคลื่อนไหวก็มีไม่ใช่คิดเอาช่วยได้เยอะการพึกหาดใหม่ๆเหมือนกับเขียนหนังสือตามเช่นบรรทัดตามรูปตามแบบ ก็ปีมาเขียนตามรูปหัดคิดัดเขียนต่อไปก็เขียนเป็นเองธรรมฐานก็เช่นเดียวกันต่อไปก็เป็นเมื่อมันเป็นแล้วก็ไม่มีอะไรมีแต่ใช่ไปเลยในตานานตามอย่างอื่นอยู่ที่ไหนก็เป็นส่วนตัวส่วนตัวให้มากเท่านี้ ไม่เป็นส่วนตัวเริ่อในช่วยโอกาสทุกทุกพื้นที่โนอกรูปแบบในรูปแบบในรูปแบบการทบทวนนอกรูปแบบเป็นการใช้การทบทวนแล้วมันจึงได้ใช้วเวลาเรียนวิชาเพื่อไปสอบ ตอนที่สอบจริงไม่ได้อยู่ในรูปแบบไม่ได้มีตำราใช่ได้เลยเพราะได้ชํานาญได้รู้มาแล้วนอกรูปแบบของวิชากรรมฐานเพื่อได้ใช้เวลาใดที่มันไม่ใช่จิตได้ใช่จิตเวลามันหลงได้รู้เวลามันทุกข์ได้รู้เวลาใดมันโกรธได้รู้เจ็บครื่องได้ป่วยได้รู้มันจะได้ใช่ถ้าใช่ก็ชํานาญ เจ็บเห็นมาเจ็บไม่เป uh so like so ็นผ so yes, so ู้เจ็บคือใช่ทุกเห็นมาทุกไม่เป็นผู้ทุกคือได้ใช่โกรธเห็นเรื่องโกรธไม่เป็นผู้โกรธคือได้ใช่ถ้าใช่บอกพ้นทุกเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกก็พ้นจากทุกโกรธเห็นเมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธก็พ้นจากความโกรธมันเป็นอย่างนี้เป็นมรรคเป็นผลอย่างนี้ าโกรธเป็นโกรธไม่ได้ใช่ติเลยให้ลอยความโกรธเต็มไปในชีวิตของเราเลยเปเื่อนไปหมดเลยซึ่งเราทีเราอาจจะไม่เคยไปย่อมอะไรมามากๆตั้งกายก็ติดอะไรมาตั้งใจก็ติดอะไรมามากมาย แสดงออกมาทางความคิดก็เป็นอารมณ์ข้าบาเคยคิดเรื่องไหนก็ไหลไปเรื่องนั้นอารมณ์คือวิญญาณวิญญาณคือไปย่อมมามันติดแล้วก็ติดเั้งนก้นนะวิญญาณนี่มันติดเราจงมาหัด มาพึ่คัดตัวเองฝึกปฏิบัติให้มีสติตั้งต้นจากสติความรู้สึกระลึกได้ไปในกายเป็นกรรมฐานตินที่จะก็จะเห็นทุกอย่างบางทีผู้ฝึกจะได้บทเรียนมากๆกถ้ามีอาการ เคยชินเรื่องใดมาเคยติดอะไรมาจะได้เห็นเลื่นั่นบ่อยๆจะได้เปลี่ยนมาเป็นครารู้บ่อยๆจะได้บทเรียนจากมานันจุดอ่อนอยู่ที่ไหนก็เชื่อมแข็งตรง น, นั้นปิดอยู่ที่ไหนก็ได้ความรู้จึกตัวจุด่ที่ น, นั่นได้บทเรียนมากๆประสบการณ์มากๆเมืม่อได้บทเรียนมากๆประสบการณ์มากๆกับเป็นครูอาจารย์คนด้อยชมนิชำ น, นาญมาก เวลาสอนก็มาฐานเมื่อคนเป็นไรขึ้นมาเราก็เคยเป็นเราก็เคยสอนเราก็เคยทํามาแล้วประสบการณ์มามากแต่บางคนเช่นพระประจัจเจกพุทธเจ้าไม่มีประสบการณ์อะไรบรรลุธรรมไปเลยได้มักได้ผลไปเลยแต่ว่ามีปัญญาสอนคนมีเหมือนกันปจัจเจกพุทธทะตายทิ้งไปเปล่า ได้มีบทเรียนมันกะตือเรือล้นนะผ่านบทเรียนในบทเรียนเปลี่ยนมาไล่เป็นดีมันกระตือ่อล้นที่จะบอกคนสอนคนนี่มาคือลูกนี่มาคืนน้าลูกทุกน้ําทุกลูกทำน้ำํำทำลูกสมมุติน้ำสมมุติโลกโลกน้ําโลกไม่ใช่ตัวใช่ตนทุกไม่ใช่ตัวใช่ตน แต่ก่อนเราทุกก็คือเราวันนี้ทุกข์ไม่ใช่เราเหตมันทุกข์มันได้เป็นผู้ทุกข์มันเป็นอย่างนี้อยากจะบอกอยางนี้มันอยู่ไม่ได้มันอยากจะช่วยมันไม่มีจริงๆว่าทุกข์นี่เพราะว่าโกรก็ไม่มีจริงๆเราหลวงไปทั้งว่าเราซะ เราโกรธคือเราโกรธเวลาทุกข์คือเราทุกข์เอาเราเป็นทุกข์ก็เราเป็นโกรธเราเป็นผิดเราเป็นถูกเราใช่ความโกรธความทุกข์เป็นตัวเป็นตนมันไม่ใช่อย่างนั้นศึกษาดูแล้วไม่ใช่จริงจรงมันก็จึงบอกทั้งความผุดพ้นมันก็พ้นอย่างมันจึงบอกว่าพุ่นแบบเดิม ปนภาวะเก่าปฏิบัติทมเดิมมันอยู่ไม่ได้ไม่อยากให้มันเสียเวลาเพราะชีวิตของเรามันไม่ใช่อยู่จากนั้นมีนะสิ่งที่เราทุกคนอื่นเขาไม่ทุกข์ในโลกนี้มีสิงที่เราโกรธคนอื่นเขาไม่โกรธ สิ่งที่เราหลงคนอื่นขเขาไม่หลงมีไม่ใช่จะไปหมทั้งหมดก่อนที่จะมองตนพระพระเจ้าเรามีจริงๆพระธรรมมีจริงๆปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติได้จริงๆในสมัยต้นๆมีแต่พระเจ้าไม่แต่บอกเท่านี้ ปฏิบัติตามทำไม้ไหนนั่นเถิดปฏิบัติตามทำไม้นั่นเถิดให้เป็นทุกข์ให้เป็นที่ชิ่นทุกข์เถิดการอุปสมบทคุณบุตรสมัยก่อนโบกแค่นี้จงเป็นพิษสูงมันเถิดตอนไม่ไหนเราตัดไว้ดีแล้วจงปฏิบัติตามทำไม้ไหนนั่นเถิดก็เท่านี้สําหรับ ผู้ที่บรรลุธรรมถ้าผู้ที่ยังไม่บรรลุธรรมก็จงปฏิบัติธรรมลั่นเถิด ใ, ใ, ให้เป็นที่ชื่นทุกข์นั่นให้จงปฏิบัติตามธรรมนั่นให้เป็นที่ชิ่นทุกข์เถิดนี่คือผู้ยังไม่เป็นพระองหันสําหารับผู้เป็นพลังหันเช่นตัน จ, จั๊บวัชีก็บอกว่าจงเป็นเพชรสุมาเถิดทํำไวในเราตัดไว้ไปแล้วจงปฏิบัติตามทําไวในนั่นเถิด ความหลงไม่เป็นธรรมกมไม่หลงเป็นธรร ม, น, ม, ม, น, ม, ม น, นี่คือปฏิบัติตามธรรมไว้ในความทุกข์ไม่เป็นธรรมก็ไม่ทุกข์เป็นธรรมนี่คือปฏิบัติตามธรรมไว้ในถ้ามันมีก็เปลี่ยนอย่างนี้ถ้ามันหลงกับลูกความหลงไม่ใช่ธรรมไว้ในไม่ได้นำไปสู่ความดีอวิเศษ เอืมหลงไม่ดีวิเศษความไม่หลงดีวิเศษให้ปฏิบัติอย่างนี้เอืมทุกไม่ดีวิเศษความไม่ทุกดีวิเศษนี่มันเปลี่ยนวิวิวิวิวิไยวิคือดีวิเศษนไยะนําไปนําไปสู่ความวิเศษแล้วก็รู้อยู่สัมปัตได้ตอบเองได้มันหลงกับลูกไม่มีใครลูกเท่าตัวเรา หวนโกรธกับรู้จักตัวไม่มีใครรู้เท่าทัวเราไม่ต้องถามใครอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรผิดอะไรถูกอะไรเป็นธรรมอะไรไม่เป็นธรรมเอืมทุกข์กับคงรู้จักตัวเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์คนจับควงทุกข์นี่ปฏิบัติต า, ามธรรมไว้ไหน <c oughs> ไม่เอาความทุกข์มาเป็นตัวเป็นตน ปฏิบัติจากนี้หรือว่าปฏิบัติทำธรรมวินยัยปฏิบัติเพียงเท่านี้สมัยก่อนมีวัล้วให้เราได้ปฏิบัติมาเกิดจากเราก็หลุดพ้นจากเราวันไม่ถูกต้องที่กเกิดจากเราก็ทําให้ถูกต้องที่มาเกิดจากเราเรียกว่าปฏิบัติธรรม ตาชีที่ไม่ถูกต้องก็ให้มันค้างอยู่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมแม่เราจะนั่งอยู่แปดชั่วโมงวอรให้คุ้นคิดในลมที่คุ้นคิดเป็นชุกเป็นทุกข์ น, นั่นไมาชื่อว่าปฏิบัติธรรมเมื่อจะนั่งง่วงเหงาหอนอนเมื่อจะนั่งเลื่อนลอยไปเอาความนั่งเอาการกับอิยาเป็นรูปแบบไม่ใช่ปฏิบัติธรรมว่าผู้ที่มัน บุคคลคุยคิดในลมที่คุยคิดสละความคิดมีความรู้จึกตัวแม่เดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ก็ชื่อว่าปฏิบัติธรรมบุคคลที่คุณคิดในลมที่คุยคิดปล่อยความคิดไหลไปจนเกิดอารมณ์แม่เดินจ้ากรมอยู่นั่งอยู่ก็เปาชื่อว่าปฏิบัติธรรมเป็นคนเกียดข้านไม่ต้จักเปลี่ยนร้ายเป็นดี การปฏิบัติธรรมไม่จิริยาเฉยๆเป็นตัวการกระทําจริงๆเหมือนกัที่พูดว่าเราไปเกี่ยวข้าวก็ต้องกิริยาที่เกี่ยวข้าวจริงๆมือที่เคลื่อนไหวก็ได้งานมือเคลื่อนไหวไมาได้งานก็ชื่อว่ามันก็ไม่ไม่ได้ทํางานงานไม่สําเร็จ อันที่มือเคลื่อนไหวได้รู้จึกตัวนี่มันได้งานได้ความรู้จึกตัวหรือเราไปคิดมันได้ความรู้จึกตัวได้งานขึ้นมาได้ประโยชน์ถ้าเกิดว่าทำอะไรอไมความรู้จึกตัวได้ประโยชน์นี่คือกรรมมาฐาน <c oughs> <c oughs> นี่กลางกระทมกรรมคือการกระทํามันจึงจะมีผล ถ้าไม่มีการกระทําก็ไม่เกิดผลการเคลื่อนไหวมือไม่มีการกระทําไม่มีความรู้เป็นจิริยาจิยาไม่มีผลเป็นละเป็นการตัดกรรมเป็นกรรมที่ไม่มีผลต้องเจตนาใส่ใจรู้จักตัวเจตนาหางพิ ก, กเอวกรรมบังมัามิจเจตนาแหละเป็นกรรมทำดีลงไปที่มือให้รู้จึกตัวอยู่ที่กาย ร่ากายมาสร้างความรู้จักตัวใจมาสร้างความรู้จักตัวเจติน า, สาใส่ใจได้เปลี่ยนหลงที่ได้รู้ทุกที่นั่นทุกที่ได้รู้ที่นั่นมันจะไปถึงไหนความทุกข์ความหลงอถ้าหลงเป็นหลงก็ไปเรื่อยๆจนตายทุกข์เป็นทุกข์ก็ไปเรื่อยๆจนตาย ถ้าหลงมันลูกทุกเป็นลูกไปไม่โลดแน่นอนจบเป็นคิดถามไปเจอระความทุกเด็กคิดให้มันหลงก็ไม่หลงคนนี้น่ารักนะคนนี้น่าชังนะบางครั้งมันรักตูชีเมื่อเหมันถูกต้อมันรู้จักตัวไม่เอาดอกบางครั้งมันโกรธตูชีมันไม่เอามันไม่ ถกต้องมันคมขืนตัวเองเป็นบาปผิดศีลยิ่งแต่ดีใจเสีย ใ, ใจก็ผิดศีลแล้วไม่ปกติคนปฏิวัติธรรมมันมีศีลมันปกติเราจะดีใจเฉยใ จ, ใใจยอยู่หรือว่าผิดศีลไม่มีศีลศีลเป็นศีลจิตข้เป็นศีล ส, สู่มักสูผลเนาะ อาชัยชินตุแบบเรามาไม่มานั่งอยู่นี่ไม่ได้สมัธนาชินหรอกไม่มีให้สมัานาปฏิบัตินี้นี้ไม่เกิดชินขึ้นมาเองชินแบบนี้เป็นชินสิกขาโค้กันไม่ได้ทาให้เกิดขึ้นมามันหลงรู้จักตัวรักษาชินมันทุกขรู้จักตัว อะที่มันเกิดขึ้นกับกายกับจะรู้สึกตัวคือรักษาสินก็น่าจากมีสินขึ้นมาถ้ารู้สึกตัวได้สินแล้วปกติแล้วถ้ามาจบรู้จักตัวซะได้สินแล้วไม่สินแล้วถ้าบรรทุกรู้จึกตัวได้สินแล้วมีสินแล้วไม่หวั่นไหวแล้วรู้จึกตัวแล้วมาวันคิดไปรู้จึกตัวมาไม่ไปถึงความพอใจไม่พอใจ ก็ามัิดไปก็กำลังเลือกตัวจะเรยว่าสังวรสังรวมอินทีสังวรอนแต่ทีอินทรีย์มันใหญ่ใหญ่กว่าตาของหูใหญ่กว่าจมูกเลียนกาใจอินทรีย์สังวียนตัวใหญ่ควบคุมได้เป็นมิเตอร์ของของอายตนะเป็นมิเตอร์เครื่อง ใช้ไฟฟ้ามันควบคุมระบบการใช้ไฟฟ้าใช้นอ้อยใช่มากให้มันพอดีสติอินซีมันเป็นมิตเตอร์ตัวใหญ่สวบรวมได้หมดถ้ามีสติกับอัยัตตนา็สมรวมลงมหาวัตนไม่ต้องไปลํามันระวงังนั่งนิ่งๆไม่พูดไม่ตอบไม่เลืมหูเลืมตาไม่ใช่แบบนั้น ไปดูอาจารย์งามฐานที่มาสอนอยู่มาเลเซียเมื่อนักปฏิบัติท่าไปมาจากพมาก่าและว่าอาจารย์ดังไปดูมีบ้านสองหลังบ้านหลังหนึ่สามหลังบ้านหลังหนึ่งเป็นของอาจารย์บ้านหลังที่สองเป็นของอุปศกบานหลังที่สามเป็นของมาช์ิกา อยู่ในสวนกอแพร์ป่าทึบในมาลเลเซียแล้วก็ไปแล้วก็อยู่ในห้องเราจงก็พาไปเรียรู้จักกับอาจารย์ไปเคาะประตูแล้วก็ไปนั่งรอคอยกราบท่าน แล้วก็นั่งอยูท่นค่อยๆเปิดประตูบ้านเปิดประตูเดินมาทั้งหลับตาทั้งเหลือนตาเดินมาย่องย่องไปถึงเราไม่จีบบ้านค่อยเดินมาแล้วก็มานั่งลงกลัวเราจะได้กราบโอ้นานเหลือเกินแช่นี่แล้วมาระวังโอ้ ก็มาฐานอย่างนั่นนะจะห ล, ลบหลบบลิกลดได้หรือรถจะชนตายแล้วนะเชื่อว่าเอ๊ะทำไมจึงขนาดนี้เนาะก็มาฐานมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไวนะมันไวที่จะดูแลกายใจของตัวเองถ้าไปทําอย่างนั้นจะทำเราได้ก็มาฐานไม่ต้องเมาใช่การงานทุกอย่างเพราะมันรู้จักตัวมันก็ใช่กายใช่ใจรู้จักตัวแล้ว มันไม่ได้ผิดไม่ใช่ย่องแบบนั้นนั่นก็ไม่เข้าใจก็มาถ่านมันสะดวกมันรวดเร็วแป๊บพ ม, ม, มารู้จากตัวผมรู้สึมันเป็นมิเตอร์ตัวใหญ่ควบคุมอา่านจะน่าต่างหบบไม่ใช่เดินย่องย่องคอยรู้จากตัวยกมือขึ้นรู้จากตัวนี่คือฝึกกรรมาถานยอมมาเชื่อสมผัดเอา ตามทำไว้ไหนเป็นยังไงความหลงเป็นธรรมไหมความรู้เป็นธรรมไหมความทุกข์เป็นธรรมไหมความรู้เป็นธรรมไหมมันมีพร้อมกันสองอย่างความหลงความไม่หลงมีความทุกข์ความไม่ทุกข์มีตลอดทั้งก็าจรความไม่เจริมีความเจ็บก็ไม่เจ็บมีความตายกวาไม่ตายมีมันไปถึงที่สุดหมายปลายทางหลุดพ้นความรักความจังกักขังว่าอยู่ความ ตายไม่มีความหมายะจจะตายไม่มีความหมายจุดหมายปลายทางถึงที่สุดหลุดพ้นหรือว่ามงกุฎต่ำคือเห็นไม่เป็นอะไรเรื่องที่เกิดกับลากับใจไม่เป็นอะไรกับมันขอให้เด็ดขาดหนึ่งแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับปากับใจจะไม่ออกมาเป็นจุกเป็นทุกข์เด็ดขาดในชาตินี้ จึงไหนที่มันเกิดขึ้นกับปากับใจจะไม่ออกมาเป็นทุกข์เด็ดขาดจะไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียยนคนอื่นเด็ดขาดเด็ดขาดชวนตัวคนอื่นจะเบียดเบียนเราก็ก็ห้ามไม่ได้เราไม่เบียดเบียนใครเบียดเบียนตัวเองการไม่เบียดเบียนเองก็พยายามใช้ชีวิตให้ให้ให้พอดีพอดี ไปที่ที่ดวกสบายเจ่แล้วจินหารที่ย่อยง่ายๆให้ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ขี่อทั้งหมดได้ได้ได ก, ก, กไปในที่ไม่สำบากนี่คือไม่ปรีเตียนตตัวเองไม่ทาให้ตัวเองเกอดร้อนให้ะกระทุกข์เกทษเพราะละโมบลโลภมากความอยากความหิว ว่าดิให้มีปัญหาหิวก็ไม่เป็นทุกข์เจ็บปวดก็ไม่เป็นทุกข์ไม่ทำตัวเป็นทุกข์เด็ดขาดแม้จะตายก็ไม่เป็นทุกข์มันไม่มีจริงจริงว่าทุกข์นะนะไม่เจอไหนว่าความเจ็บเป็นทุกข์มันก็ไม่มีไหนว่าความตายเป็นทุกข์ก็ไม่มีอเ่าลองให้กับเราเลยเราตายเราไม่เคยทุกข์ผว้คมตายเราไม่เคยเจ็บ เรามาเคยทุกข์รความเจ็บไม่ต้องมาลงให้ให้ให้คิดถึงตัวเองนู้นเหมือนไปสอนลูกหลานที่พ่อแม่พ่อแม่เขาตายแม่เขานัรียกรารเป็นคนดีเป็นคนที่ไม่ค่อยลำบากได้เข้าเต็มยุเจมฉางไม่ค่อยได้ทำนาแล้วไม่ไม่ลำบาก เจ้ยลูกเป็นครูหมดก็เวลาแม่ตายก็ไปบอกเขาให้เขามานั่งรอบศพแม่พวกเธออย่าร้องให้นะแม่ของเธอในพวกเธอเนี่ดีแล้วรองพ่อรูจจ้จักเป็นคนดีที่มีความสะดวกในการใช้ชีวิตมากที่สุดไม่เคยลำบากยเข้าวเต็มยุ่งเต็มฉางแม่ไม่เคยลำบาก ไม่อดไม่อยากแต่พวกเธอนี่น่ะจะคิดถึงพวกเธอจะดีเหมือนแม่ไหมถ้าจะร้องให้ไม่ควรจะล้อให้กับแม่ให้ล้องให้กับตัวเองดีกว่าเราจะเก่งเหมือนแม่ไหมนี่เราต้องตบ อ, อกตัวเองวเราคนหนึ่งจะต้องแต่งลูกแม่นี่ลูกข้อนี่ต้องเก่งให้คิดอย่างนี้ เข้มแข็งขึ้นมาอย่าร้องไห้อย่าพากันร้องไห้ถึงที่ดีที่สุดคือหยอดทรม า, าร์ดาการให้สมานจำกิจการแม่หดไปแล้วพ่อหมดไปแล้วพวกเราต้องเป็นพี่เป็นน้องใครแน่นดามากขึ้นใครคิดกันให้มากขึ้นแม่หมาร้องไห้ไหมต้องร้องไห้นะเรวก็ไปร้องไหเห็มันมันน่าจะเป็นอย่างนั้นเราดีเหมือนแม่ไหมเราดีเหมือนพ่อไหม วันเราจึงต vale ้องกวรเข้มแข็งวันนี้ก็แต่ไปแต่ปะไม่มีเสียงดันเต็มที่แล้วใช่ไหมเอาสุขควรเจริเวลาเนาะ